แล้วบรรลุพระอรหันต์ในเวลาจบเทศนาท่านพิจารณาคุณวิเศษที่ตนบรรลุได้กล่าวสองคาถาเหล่านี้ด้วยอำนาจปีติยินดีว่าโพชชงเจ็ประการเป็นทางแห่งการบรรลุพระนิพพานโพชชงเจ็ดเหล่านั้นทั้งหมดเราจะเลิญแล้วอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเราได้เห็นแล้ว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 พุทธศาสนาสุภาษิตอายาจิตโตตตโตคัจจิอนานุญญาโตอิโตคัตโตกุโตปินุนะอคันตาวาวาสิตาวากาติปาหกังอิโตปิอันเยนาคัตโตตตโตอันเยนะคัจจติเปโตมนุสารูปเปนะ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 คนก็รู้จักกันทั่วไปว่านางคือมารดาของพระสุมังคละจึงเรียกว่าสุมังคละมานดาหรือสุมังคละมาตาแต่เพราะชื่อและโคตของนางไม่ปรากฏฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในบาลีอปทานว่าภิกษุณีเถรีองค์หนึ่งไม่ปรากฏชื่ออัญญตราเถรีภิกษุณี ต่อมานางได้ออกบวชในหมู่ภิกษุณีเจริญวิปัสสนาอยู่เนืองเนืองวันหนึ่งดานได้พิจารณาความลำบากที่ตนได้รับในเวลาเป็นขฤลือหัดเกิดความสังเวชเจริญวิปัสสนาจนบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายแล้วได้เปร่งอุทานสองคาถาเหล่านี้ว่าเราพ้นดีแล้วในการพ้นดีแล้ว เป็นผู้พ้นแล้วโดยชอบจาก삭หนึ่งจากสามีผู้ไม่มีหิหริหนึ่งจากร่มหนึ่งจากหม้อข้าวหนึ่งและจากงูน้ำหนึ่งเราตัดราคะโทสะขาดแล้วเราเข้าไปยังโคนไม้เข้าฌานอยู่โดยความสุขว่าโอ้สุขจริงหนอคาถานั้นมีอธิบายว่า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 ซึ่งเป็นบุรุษสูงสุดจึงพ้นจากทุกทั้งปวงชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของพระศาสดา24พระอัฏฐกาศีเถรีภิกษุณีผู้อุปสมบทด้วยทูตชาติสุดท้ายนางเกิดในตระกูลเศรษฐีมีทรัพย์มาก ในแคว้นกาสีเจริญวัยแล้วได้ตกอับเป็นหญิงแพทย์าประจำกรุงราชครื้เพราะผลของวจีทุจริตที่เคยด่าภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์ในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะนางมีชื่อว่าอัตกาสีครึ่งหนึ่งของแคว้นกาสีต่อมาได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าของเราแล้วบรรพชาเป็นภิกษุณีในสำนักของภิกษุณีสงศ์ แล้วนางประสงค์จะไปกรุงสาวัตถีเพื่ออุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพวกนักเลงรู้ข่าวว่าหญิงแพทย์สยาอัฏฐกาสีประสงค์จะไปกรุงสาวัตถีจึงดักไปอยู่กลางทางท่านรู้ว่าพวกนักเลงดักอยู่กลางทางจึงส่งทูตไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลว่านางอัฏฐกาศีประสงค์จะอุปสมบท จะพึงปฏิบัติอย่างไรนอครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงธรรมมีคถาในเพราะเหตุนี้ในเพราะเรื่องนี้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้อุปสมบทแม้โดยทูตแสดงแล้วตอนวิธีอุปสมบทภิกษุณีครั้นได้อุปสมบทแล้วท่านเจริญวิปัสสนาไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหันต พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายครั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วพระเถรีได้กล่าวคาถาอุทานเหล่านี้ว่าชนชาวกาศีมีสวยประมาณเท่าใดสวยของเราก็มีประมาณเท่านั้นชาวนิคมกาหนดราคาแคว้นกาสีแล้วตั้งราคาระไว้ครึ่งหนึ่งของราคาแคว้นกาสีภายหลังเราเบื่อหน่ายในรูป เมื่อเบื่อนายจึงคลายกำหนัดเราอย่าพึงเล่นไปสู่ชาติสงสารอีกบ่อยๆวิชาสามเราทำให้แจ้งแล้วเราได้ปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วในบาลีอปทานเล่าว่านางเริ่มบำเพ็ญบารมีในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะโดยบวชเป็นภิกษุณีแต่ได้ด่าภิกษุณีผู้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งว่านางแพทย์สยา ทำให้ตกนรกเพราะบาปนั้นอยู่นานและเศษของบาปนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติสุดท้ายนี้แม้จะเกิดในตระกูลเศรษฐีแคว้นกาสีมีรูปร่างกายงดงามดุดนางเทพอับซอนด้วยผลจากการประพฤติพระมรจันแต่ก็ต้องอยู่ในตำแหน่งหญิงขณิกาคือผู้ขายร่างเลี้ยงชีวิตของกรุงรัชครืเพราะผลบาปที่ดาภิกษุณีนั้น ต่อมาได้ฟังธรรมแล้วออกบวชคาถานั้นมีอธิบายว่ารายได้ของพระราชาแคว้นกาสีเก็บสวยได้วันละพันแม้รายได้ของนางก็มีปริมาณวันละพันแต่เมื่อผู้ชายไม่สามารถจ่ายค่าตัวได้ถึงพันก็จ่ายให้ครึ่งหนึ่งคือห้ารแล้วพานางไปรื่นรมได้เฉพาะตอนกลางวันบวชแล้วท่านพิจารณาเห็นด้วยวิปัสสนาปัญญาว่า รูปร่างกายนี้ไม่เที่ยงแท้เป็นทุกข์ไม่สวยงามจริงจึงคลายกำหนัดและถึงความหลุดพ้นยี่สิบห้าพระจิตตาเถรีภิกษุณีผู้บวชเมื่อแก่ชาติสุดท้ายนางเกิดในตระกูลขาหบดีกรุงรัชครื รู้เดียงสาแล้วได้มีศรัทธาอยากบวชในคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้ากรุงราชครืแต่ไม่ได้บวชต่อมานางได้บวชในสำนักของพระมหาปชาบดีโคตมีในตอนมีอายุมากวันหนึ่งได้ขึ้นไปบนเขาคิดชกูรเพื่อเจริญสมณธรรมคือวิปัสสนาจนบรรลุพระอรหัสต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลาย ก็พระเถรีนี้ครั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วได้พิจารณาการปฏิบัติของตนแล้วกล่าวสองคาถานี้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีร่างกา ย, ายผ่ายผอมเป็นไข้อ่อนเพลียหนักต้องเดินถือไม้เท้าไปไหนไหนก็จริงถึงอย่างนั้นก็ยังขึ้นภูเขาได้ข้าพเจ้าวางผ้าสังฆติและความบาดแล้วข่มตนทําลายกองความมืดได้แล้วบนภูเขา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 พุทธศาสนาสุภาษิตกนุตเตอิทธมักขาสิอาชานันตัสะอาชานโกอุทกาภิกเสจานานามะปาปกรรมมาปมุจจติสักขงังโนมะขมิสันติสัพเพกันถู ก, กัดชปานาคาจะสังสุมาราจะเยจันเยอุทเกจารา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 พระเมติกาเถรีภิกษุณีผู้ชนะความแก่และความมีโรคชาติสุดท้ายนางเกิดในตระกูลพระมหาศารครั้นมีอายุมากแล้วได้บวชเป็นภิกษุณีแล้วก็ขึ้นไปบาเพ็ญสมณธรรมบนภูเขาจนได้บรรลุพระอรหัดพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลาย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 มีความระแวงมีความยุ่งยากเงินทองนั้นไม่มีความมั่นคงยืนยงเลย 27. พระมิตราเทรีภิกษุณีผู้ต้องการเกิดในสวรรค์ชาติสุดท้ายนางเกิดในศักยะตรกูลกรุงกบิลพัท รู้เดียงสาแล้วฟังธรรมในสำนักของพระาศาสดาแล้วเกิดความศรัทธาประกาศตนเป็นอุบาสิกาเวลาต่อมานางได้บวชในสำนักของพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีเจริญวิปัสสนาอยู่ไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหันต์คลั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วท่านพิจารณาการปฏิบัติของตนได้กล่าวสองคาถานี้เป็นอุทานว่า ข้าพเจ้ามีความปรารถนาจะเกิดในเทพนิกายหมู่เทวดาจึงเข้าจำอุโบสถประกอบด้วยองค์8ประการตลอดวัน14บ่ข้ามสิ้าข้า8แดข้ามแห่งปักและตลอดปฏิหารยิยปักแต่วันนี้ข้าพเจ้าชั้นอาหารมื้อเดียวมีศรีรษะล้นห่มผ้าสังคาติบวชแล้วไม่ปรารถนาเทพนิกาย ข้าพเจ้ากำจัดความกระวนกระวายในใจเสียได้บาลีอปทานเล่าว่าพระเถรีนี้เริ่มบำเพ็ญบารมีโดยถวายบิณฑบาตด้วยอาหารปรุงอย่างดีพร้อมเครื่องลูปไล้กลิ่นหอมปิดด้วยตะข่ายคลุมด้วยผ้าสีเหลืองแก่พระสมณะภิกษุรูปหนึ่งผู้มีอินทรีย์ห้ามีศรัทธาเป็นต้นอบรมดีแล้วด้วยอรยิยมรรค ทำให้ไม่รู้จักการเกิดในทุกคติเลยคาถานั้นมีอธิบายว่านางปรารถนาจะเกิดในสวงสวรรค์จึงสมาทานรักษาอุโบสถทศีล8ข้อทุกๆวันอุโบสถปาฏิหาริยะปากได้แก่การรักษาอุโบสถในวัน13ข้ามแรม1ข้าม7ข้ามและ9ข้าม โดยวันต้นเป็นวันเข้าวันสุดท้ายเป็นวันออกตามลําดับของวัน14บ่ข้ามสิบห้าข้ามและ8ปดข้ามเช่นเข้าสิบสาข้ามอยู่สิบ่ข้ามออกหนึ่งข้ามเป็นต้นรวมเป็นสามวันครั้นบรรลุพระอรหัดแล้วท่านมิได้ปรารถนาการเกิดในสวรรค์อีกเพราะกิเลสที่จะทําให้เกิดอีกถูกละได้แล้วด้วยอรหัตตมรัก ยี่สิบแปดพระอภัยมาตาเถรีภิกษุณีผู้มีบุตรกับพระเจ้าพิมพิสารชาติสุดท้ายนางเกิดเป็นหญิงโสเพณีชื่อปฐุมวดีอยู่ในกรุงอุจเชนีพระเจ้าพิมพิสารแห่งกรุงรัชครืทรงสดับคุณสมบัติความงามของเธอแล้วจึงตรัสบอกแก่ปุโรหิตว่าได้ข่าวว่าในกรุงอุจเชนีมีหญิงงามเมือง ชื่อปทุมวดีฉันใคร้จะเห็นเธอปุโรหิตกราบทูลว่าดีแล้วพระเจ้าค่าแล้วนำยักษ์ชื่อกุมพีมาด้วยกำลังมนแล้วใช้อนุภาพยักษ์ให้นำพระราชาไปยังนคร อ, อุจเฌนีในขณะนั้นทีเดียวพระราชาทรงสำเร็จการอยู่ร่วมกับนางหนึ่งราตรีนางมีคันเพราะพระราชา และได้กราบทูลพระราชาว่าหม่อมชั้นตั้งคันแล้วพระราชาทรงทราบแล้วตรัสว่าถ้าเป็นบุตรชายเธอจงเลี้ยงให้ดีแล้วนำไปแสดงกับเราทรงประทานพระธรรมรงจารึกพระนามให้แล้วเสด็จ ก, กลับไปล่วงไปสิบเดือนนางคลอดบุตรชายได้ตั้งชื่อให้ว่าอภัยและในเวลาที่บุตรมีอายุเจ็ดขวบนางได้สมบุตรไปเฝ้าพระราชา สั่งให้บอกว่าพระเจ้าพิมพิสารมหาราชเป็นบิดาของเจ้าพระเจ้าพิมพิสารทรงเห็นพระโอรสนั้นแล้วเกิดความรักในบุตรอย่างมากทรงให้เจริญด้วยเครื่องบริหารของกุมารต่อมาพระกุมาร น, นั้นได้ศรัทธาบวชและบรรลุคุณวิเศษเป็นพระอรหรันนางจึงได้ชื่อว่าอภัยมาตาคือเป็นมารดาของพระอภัย ส่วนตัวนางการต่อมาได้ฟังธรรมในสำนักของพระอภัยเถระผู้เป็นบุตรเกิดศรัทธาบวชแล้วในหมู่ภิกษุณีเจริญวิปัสสนาไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายครั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วท่านได้กล่าวธรรมภาศิชคถาเดียวกับพระอภัยเถระผู้เป็นบุตรเคยสอนนางนั่นแหละคือข้าแต่แม่ ท่านจงพิจารณากายนี้ซึ่งไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเน่าเบื้องบนลงมาจนจรดพื้นเท้าเบื้องล่างขึ้นไปจนจรดปลายผมและคถาของท่านเองว่าเมื่อพิจารณาอยู่อย่างนี้เราถอนราคะทั้งปวงได้ตัดความเร่าร้อนได้เราเป็นผู้มีความเย็นดับสนิทแล้ว บาลีอปทานว่าพระเถรีเริ่มบำเพ็ญบารมีด้วยการถวายข้าวหนึ่งทับ พ, พีแด่พระพุทธเจ้าติดสักทำให้ไม่รู้จักทุกเลยท่านเรียกว่ากระตัดชุพิกขาทายิกาเถรีคาถานั้นมีอธิบายว่าร่างกายนี้เป็นที่รวมของสิ่งน่าเกลียดไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นออกเป็นนิดท่านพิจารณาตามด้วยยานจักสุ ก็เห็นตามนั้นแล้วมีจิตกำหนดรูปธรรมและอรมปธรรมทั้งหลายโดยความเป็นไตรลักษ์แห่งอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นก็สามารถถอนกิเลส ท, ทั้งปวงได้โดยอรหัตตะมักคี่พระอภยเถรี ภิกษุณีผู้เป็นสหายของพระอภัยมาตาเถรีชาติสุดท้ายนางเกิดในเรือนตระกูลหนึ่งในกรุงอุเชนีเจริญวัยแล้วได้เป็นเพื่อนกับพระอภัยมาตาเถรีอัตถกาถาเรียกพระอภยมาตุเมื่อพระอภัยมาตาเถรีบวชเธอจึงได้บวช ด, ด้วยความิเนหาพระเถรีนั้น แล้วอยู่ในกรุงราชกฤชกับพระเถรีนั้นวันหนึ่งได้ไปป่าศีตะวันเพื่อดูอสุภะคือซากศพที่มีสภาพต่างๆพระศาสดาทั้งที่ประทับนั่งในพระคันธกุฎีนั้นเองทรงใช้พุทธานุภาพทําให้ศพนั้นมีสภาพต่างๆเช่นเป็นศพขึ้นพองเป็นต้นแก่เธอเธอเห็นดังนั้นแล้วยืนสลดใจอยู่ พระศ า, าสดาทรงแผ่รัศมีแสดงพระองค์เหมือนประทับอยู่ต่อนหน้าตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าดูก่อนอพยยาปุตุชนข้องอยู่ในกายใดกายนั้นมีสภาพแตกดับไปเราจะเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่เฉพาะหน้าละทิ้งร่างกายนี้เราถูกความทุกข์เป็นอันมากกระทบแล้วจึงยินดีในความไม่ประมาท บรร ล, ลุความสิ้นตัณหาได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเวลาจบคาถาพระเถรีนั้นได้บรร ล, ลุพระอระหัสตบาลีอภิธานว่าพระเถรีนี้เริ่มบำเพ็ญบารมีในสมัยพระพุทธเจ้าสิขีมีกรุงอรุณวดัดดีเป็นเมืองหลวงนางเป็นพระมเหสีพระเจ้าอารุณราช ได้ถวายดอกบัวเจ็ดดอกแด่พระพุทธเจ้าจึงเรียกชื่อท่านว่าสตตะอุปละมาลิกาเถรีคาถานั้นมีอธิบายว่าปุถุชนผู้มืดบอดย่อมคล้องอยู่ติดอยู่ในกายที่ไม่สะอาดซึ่งมีความต้องแตกดับไปเป็นธรรมดาส่วนผู้รู้แล้วไม่พึงยึดติดกายนั้นรู้ว่ากายนี้ถูกความทุกข์คือชาติชารามรณะ เบียดเบียนอยู่เป็นนิดจึงมีชีวิตอยู่ด้วยการมีสติสัมปชัญญะพิจารณาทุกและกายเหล่านั้นส่วนคาถาหลังนั้นพระสังคีติกาจารย์ยกขึ้นมากราวไว้สามสิบพระสามาเทรี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 เราถูกความทุกข์เป็นอันมากกระทบแล้วจึงยินดีแล้วในความไม่ประมาทบรรลุความสิ้นตัณหาได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคาถานั้นมีอธิบายว่าพระเถรีเจริญวิปัสนาอยู่ในวิหารแต่ไม่อาจทำมรกให้เกิดขึ้นได้จึงเข้าวิหารและออกวิหารรวมก้าครั้งเพราะท่านมีความเพียรมากเกินไป จนราตรีที่8จึงปรับความเพียรให้สม่ำเสมอและบรรลุพระอรหัตได้